ความเข้าใจพลาดข้อที่สองความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการได้ฌานสี่เป็นบาทฐานเพียงพอที่จะให้บรรลุวิชาทั้งสหรือรวมไปถึงอภิญญาทั้ง6กรณีนี้พึงทราบว่าสมาธิในจตุตฌานคือฌานที่4เป็นสมาธิระดับสูงสุดแม้แต่สมาธิในฌานสมบาบัตที่สูงขึ้นไปคือในอรูปฌานทั้งหลาย ก็จัดเป็นสมาธิในระดับจตุตชาฌาทั้งสิ้นเพราะอารูปฌานทั้งหลายก็มีองค์ฌานถึงสองอย่างเหมือนกับจตุตชาฌาคือมีอุเบกขาและเอกกตาและถือได้ว่าเจตุตชฌานเป็นฌานที่ใช้ประโยชน์ได้สากนเช่นจะใช้เป็นบาตแห่งวิปัสสนาก็ได้เป็นบาตแห่งอภิญญาก็ได้เป็นบาตแห่งนิโรธสมาบัติก็ได้ดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดี แม้สมาธิในอารมูปฌานจะเป็นสมาธิระดับเจตุตตะฌานก็จริงแต่ข้อพิเศษก็มีอยู่คือสมาธิในอารมูปฌานประณีตลึกซึง้งห่างไกลาจากปัจจนีกธระทำคือสิ่งรบกวนมากกว่าสมาธิในเจตุตตะฌานสามัญและแม้อารูปฌานด้วยกันก็ประณีตกว่ากันยิ่งขึ้นไปตามลำดับขั้นด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้เจตุตตะฌาน แล้วบรรลุอรหัตผลท่านยังไม่เรียกว่าเป็นอุปโตภาควิมุตยังเป็นแต่เพียงปัญญาวิมุตต่อเมื่อได้อรุปฌานสักขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วจึงจะเป็นอุปโตภาควิมุตโดยนัยนี้คำของอัตถกถาที่ว่าใช้จตุตฌานเป็นบาสนั้นจึงยังมีข้อแม้คือในบางกรณีอาจใช้สมาธิระดับจตุตฌานสามัญก็ได้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 เบื้องแรกเมื่อเจริญสมถะจนได้ฌานสี่แล้วให้เจริญต่อไปอีกจนได้สมาบัติครบ8แต่จำกัดว่าต้องเป็นสมาบัติที่ได้ในกสินแปดคือยกเว้นอาโลก ะ, กะสินและอากาสะกะสินนั่นก็คือยกเว้นกสินคือแสงสว่างกับกสินคือช่องว่างในปรมัตตมันจุสาแสดงเหตุผลว่าไม่ใช้อากาสะกะสินหรือกสินคือช่องว่าง เพราะทำอารมูปสมาบัติไม่ได้ส่วนอาโลกกสสินคือกสินคือแสงสว่างนั้นความจริงเหมาะแก่การเจริญที่พยาจักรสุแต่ในที่นี้ท่านว่ารวมเข้าในโอทาตกสินหรือกสินคือสีขาวแล้วจึงไม่ต้องแยกต่างหากเมื่อเจริญสมถะจนได้สมาบัติที่ได้ในกสิน8ปดังกล่าวครั้นแล้วฝึกสมาบัติทั้ง8นั้นให้คล่องแคล่วโดยทานองต่าง เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมพอถึงเวลาใช้งานจริงคือจะทำอภิญญาให้เกิดขึ้นก็ดีจะใช้อภิญญาแต่ละครั้งก็ดีก็เข้าฌานเพียงแค่จะตัวฌานและน้อมเอาจิตนั้นไปใช้เพื่ออภิญญาตามความต้องการย้ำข้อสรุปว่าในการฝึกเตรียมจิตไว้ต้องใช้สมาบัตแ8แต่ในเวลาทำอภิญญาก็เข้าฌานเพียงจะตัฌานเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่า เมื่อเข้าสมาธิถึงจตัดตาชานแล้วจิตซึ่งเคยอบรมมาดีแล้วด้วยสมาบัดแปดพอมีสมาธิถึงระดับจตัวตชานก็มีความประนีตเป็นพิเศษยิ่งกว่าจิตของผู้ได้ลำพังแต่จะตุตาชานล้ว น, วนเมื่อตัดตอนเอาตรงนี้ท่านจึงกล่าวว่าใช้จตุวตาชานเป็นบาดของอภินยาตรงกับที่ท่านพูดไว้อีกสำนวนหนึ่งว่าจิตที่พร้อมด้วยองแปด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 ไม่ต้องฝึกฝนครบกระบวนวิธีตามลำดับก็ได้และสร้างความชำนาญเพียงในจตุตฌานล้ว น, นก็เพียงพอที่จะทําอภิญญาให้เกิดได้ไม่จําเป็นต้องสร้างความชำนาญในอรมณสมาบัติในกรณีของพระพุทธเจ้าแม้ไม่อ้างบุญประโยคะหรือบุญเหตุอย่างอัตถกถาว่าก็เห็นได้ชัดว่าสํานวนแบบสองอย่างที่ยกมาอ้างข้างต้นสอดคล้องกันและกลมกลืนกับหลักที่ได้แสดงมานี้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 กาลามโครและอุทธกัดาบทรามุตทและตามํำนวนแบบที่สองก็แสดงว่าพระองค์ได้ทรงฝึกปลือความจำนานในสมาบัติทั้งหลายมาโดยตลอดตามลำดับ